ในลำดับต่อไปจะได้แสดงธรรมะเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการบำเพ็ญสมาธิภาวนาต่อไป <c oughs> การทำสมาธิคือการทำใจให้สงบตั้งมั่นตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มักจะย้ำเน้นหนักไว้บ่อยวว่าจิตจะต้องปราธจากักกุศลกามวิตกความให้จิตตรึกถึงกามพยาบาทวิตกจิตที่ตรึกถึงอารมณ์ที่ไม่ชอบใจ วิหิงสาวิตกจิตนึกถึงอารมณ์ที่เป็นไปเพื่อความเบียดเบียนกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกรวมรวมเป็นอุสลวิตกคืออาการหรืออารมณ์ทั้งสาม ที่พัวพันกับจิตใจนั้นเป็นอกุศลทั้งสิ้นขยายไปก็คือเป็นนิวรณ์ทั้งห้านั่นเองผู้ที่จะบำเพ็ญสมาธิให้ถึงสมาธิจึงต้องขจัดอารมณ์เหล่านั้นให้หมดไปจากจิตใจ จะหมดไปชั่วระยะที่ภาวนาอยู่ก็ดีหรือขณะที่จะบำเพ็ญก็ดีอย่างไรก็ต้องให้อารมณ์เหล่านั้นหมดไปถึงไม่ขาดศูนย์จากจิตแต่ก็ต้องให้สงบคือให้เงียบให้จิตได้รับวิเวกยังมีอยู่ในอากุตตุลตกเหล่านั้น แต่ไม่มีฤทธิเดชเกิดขึ้นยังไม่หมดไปจากอากุศลเหล่านั้นแต่ไม่มีอำนาจที่จะลุกขึ้นฝางจิตเพียงเท่านี้จิตจะเข้าสู่สมาธิได้อาการของอากุศลละวิตกต่างๆเหล่านั้น จึงเป็นทางฝางกัน้นทางของจิตใจจิตที่ถูกอกุศลเหล่านั้นฝางกัน้นทางจิตใจแล้วจะชักพาจิตให้เพลิดเพลินไปตามอารมณ์ต่างๆคือนึกถึงอารมณ์อันใดอันหนึ่งจิตที่นึกถึงอารมณ์อันใดอันหนึ่งเป็นที่พอใจ ก็จะคิดปรุงแต่งจนมากมายเขาเรียกว่าจิตกับสังขารหลอกเอาเพราะฉะนั้นคนที่เรียกว่าวิตกขจริตอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งก็คิดจะมากมายเกินไปจึงถูกจิตกับสังขารเพราะสังขารในที่นี้ได้แก่ความนึกคิด เรื่องราวต่างๆไม่ใช่สังขานคือร่างกายสังขารในเบญจขันคือขันห้าสังขารในความรู้สึกนึกคิดแตส่ส่วนสังขารในสังขารสองหมายอารูปวัตถุที่มีวิ ญ, ญญาณและไม่มีวิญญาณแต่เป็นคำศัพท์เรียกเหมือนกันเขียนก็เหมือนกันสังขารเหมือนกันแต่เมื่อสังขาร น, นึก แต่เมื่อพูดถึงสังขานนรเนี่ยฟารมนึกคิดแล้วพึงเข้าใจว่าสังขาร น, นั้นคือเบญจขันธ์ถ้าสังขารคือรูปร่างมีวิญญาณไม่มีวิญญาณนั่นคือสังขารสองไม่ใช่สังขารในเบญจขันธ์คือขันห้าที่ท่านว่าถูกจิตกับสังขารคือจิตเป็นตัวนึกตัวคิด พอคิดแล้วแยกขยายต่อเนื่องเป็นอารมณ์ปรุงแต่งเรื่อยไปมากมายหลายประการจนเกิดควาฟรรมฟุ้งซ่านกิริยาที่ปรุงแต่งนั้นเป็นสังขารกิริยานึกถึงนั้นคิดถึงนั้นเป็นเป็นจิตเพราะฉะนั้นผู้ที่จะบำเพ็ญกรรมฐานสมาธิภาวนา จะต้องระวังข้อนี้เป็นอารมณ์ของอกุศลวิตกเป็นการมาวิตกก็ได้เป็นพยาบาทวิตกก็ได้เป็นวิหิงสาวิตกก็ได้ความป้องกันจิตมาให้เกิดอกุศลทั้งสามประการนั่นเป็นแต่เพียงผลักดันอกุศลหยับหยาบไม่ให้เกิดขึ้น แต่ส่วนละเอียดยังมีอยู่ในจิตและส่วนละเอียดที่มีอยู่ในจิตนี้จะเห็นอรูปสนเหล่านี้ได้จึงต้องรู้จักจิตดูจิตและพยายามมาเห็นจิตอันนี้ก่อนจิตคือความนึกความคิด ความนึกความคิดนั้นประสานกับลมอาสาสะประสาสะคือความหายใจเข้าหายใจออกความลมหายใจเข้าออกหยาบเพียงใดความคิดก็หยาบถาลมหายใจเข้าออกละเอียดประนีขึ้นเพราะจิตสงบขึ้น ความนึกคิดก็ประณีตขึ้นผู้ที่จะบำเพ็ญกรรมฐานสมาธิจึงต้องรู้เรื่องจิตจิตเป็นอย่างไรมีตัวตนอย่างไรหรือไม่เราก็จะรู้ได้ตนเองทำกรรมฐานหรือทำสมาธินั้น พยายามให้เห็นจิตให้รู้จิตอย่าไปนึกถึงอารมณ์ต่างๆที่เรียกว่าฟังเขาพูดว่าเห็นสวรรค์เห็นวิมานบ้างเห็นเทพประบุเห็นนางฟ้าบ้างสิ่งนั้นอย่าไปจับเอามาเป็นอารมณ์ทีเดียว เพราะเป็นทางให้จิตหลงสิ่งที่จิตจะเกิดประโยชน์คือไม่หลงแล้วเกิดความสงบใต้แท้จริงนั้นต้องดูที่จิตการที่จะดูที่จิตนั้นจึงต้องหาจิตก่อนว่าจิตของเราอยู่ตรงไหน โดยทั่วๆไปท่านก็พูดถึงหะไทยวัตถุคือหัวใจเพราะจิตใจนี่อยู่ส่วนกลางของร่างกายโดยท่านแนะนำไว้ง่ายๆว่าถ้าเรานึกถึงจิตว่าจิตของเราอยู่ตรงไหนตัวนึกตัวคิดตัวต้นเหตุนึกคิดนั่นอยู่ตรงไหนเราก็ลองนึกนึกสวดมนต์นะโมตัสสะ มันต้องออกเสียงอยู่ในใจผู้ที่สวดนาโมนั้นอยู่ตรงไหนถ้ายังไม่เห็นก็ลองกลั้นใจสหน่อยหนึ่งหยุดหายใจแต่มีความรู้สึกอยู่ความรู้สึกอยู่นั้นความรู้สึกอยู่ตรงไหนดูตรงนั้นถ้ายังไม่เห็นเพียงพอ แล้วลองนึกว่าพุโทโธพุโทโธพุโทโธด้วยฟามมีสติดูอยู่ตรงไหนเป็นผู้นึกเมื่อจับผู้นึกได้แล้วตรงนั้นแหละคือจิตมีสติขีดวงไว้ในจิตของตนในกายของตนว่าคือลักษณะอย่างนี้คือจิต ครั้นเมื่อรู้จิตอย่างนี้แล้วภาวนาไปภาวนาพุทโธพุทโธไปมีสติดูจิตที่ระนึกอยู่ในวงของเราไว้พอไปเผลอสักนิดเดียวจิตมักจะคิดเรื่องราวอื่นๆค่อยๆเข้ามาแทรกค่อยๆมาให้รู้ให้เห็นเรื่องที่ค่อยมาแทรก และสิ่งที่จะมาให้รู้เห็นนั้นที่ไม่เป็นประโยชน์มีอยู่สองประการคืออดีตและอนาคตอารมณ์อันใดสิ่งใดที่เคยสัมผัสไว้แล้วเคยเห็นเคยถูกต้องมาแล้วคั้นล่วงเลยมายัางจําความนั้นได้นี้ชื่อว่าอารมณ์นึกย้อนไปถึงอารมณ์นั้นที่เคยสัมผัสชอบก็ดีไม่ชอบก็ดี นี่คือจิตวิ่งไปหาอารมณ์แห่งอดีตสองไม่เช่นั้นความนึกคิดปรุงแต่งอาศัยจิตกับสังขารดังกล่าวมานึกเรื่องราวใหญ่โตเป็นไปต่างๆนาน า, นาประการคือไปข้างหน้าสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่นึกว่ามันเกิดขึ้นและจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้น นอนาคตเมื่อกี้สวดมนต์บทหนึ่งว่าพัทเทกรัตนะสูรอติตังนานวาเขเมยยะนปติกังเค อ, อนาคตังเป็นต้นท่านสอนว่าอย่างนี้อย่าคำหนึ่งถึงอารมณ์ที่เป็นอดีตอย่าคิดถึงคาดถึงอารมณ์ที่เป็นอนาคต มองดูอยู่แต่เฉพาะปัจจุบันได้ในคำว่าปัจจุบันนางจโยท ร, ร ม, มังตัฏฐะตัถฐาวิปัสติปัสสติคือให้เห็นอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันคือให้เห็นจิตเห็นจิตนี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐนักคือเป็นธรรมจะเป็นไปเพื่อความสงบเมื่อเห็นจิตมีสติดูจิตไว้จิตนั้นยังไม่ชํานาญหรอก ไม่ช้าก็เดี๋ยวก็จะนึกถึงอารมณ์อะไรต่างๆ mm. เมื่อจิตเริ่มสัมผัสกับอารมณ์ต่างมีสติรู้ทันทันทีว่าเวลานี้จิตนึกอย่างนี้แล้วจิตคิดอย่างนี้แล้วถ้าอยากจะคิดก็คิดไปแต่มีสติดูไว้อย่าให้ขาดพลาดสายตาหรืออย่าให้เผลอเหมือนกับว่า ขโมยจะมาเข้าบ้านเราเราเราจะร่องรอยของขโมยได้แล้วตามสะกดรอยถึงบ้านเราเขาทำอย่างไรเข้าไปบ้านทางไหนไปทำอะไรสะกดตามรอยดูอยู่เสมอความรู้ตัวขโมยอยู่นี้ฉันใดรู้ความคิดของจิตตามอยู่เสมอ จิตคิดเป็นอกุศลก็รู้จิตคิดเป็นกุศลก็รู้การที่สติตามรู้จิตไม่พลังไม่เผอรู้เรื่องของจิตอยู่ตลอดนี้นั่นแหละคือจุดที่จะให้เกิดความสงบเพราะสติเพ่งอยู่เพ่งดูอยู่แก่จิตอยู่ทุกระยะสติไม่ไห่างกับจิตสติอยู่กับจิตดูจิตอยู่เสมออารมณ์อะไร ความคิดอะไรจะเกิดขึ้นมีสติรู้อยู่เสมอเมื่อรู้อยู่อย่างนี้แล้วเรื่อยๆไปความสงบก็ค่อยๆแก่กล้าขึ้นเพราะจิตไม่เผลอเมื่อความสงบค่อยๆแก่กล้ามากขึ้นสติมีอำนาจมากขึ้นสิ่งที่จิตนึกคิดนั้นก็ค่อยๆลดลงและเกิดความเย็นความสงบขึ้น เพราะเหตุแห่งการเพ่งดูจิตอยู่เสมอการเพ่งดูจิตจึงมีคุณมีประโยชน์ต้องการความสงบก็จะพบความสงบต้องการเห็นธรรมก็จะพบการเห็นธรรมเพราะดูต้นเหตุในการปรุงแต่งทั้งปวง ดังนั้นเมื่อมีสติคอยควบคุมดูจิตอยู่เสมออย่างดังไกล่เก่ามาแล้วนั่นแหละคือทางที่จะทำให้ใจของเราเป็นสมาธิอีกประการหนึ่งปัดและแหวกป้องกันอารมณ์ต่างๆที่จะมารุมล้อมจิตสมมติว่าเรามีสติเห็นจิตของเราอยู่ และเราให้จิตนึกว่าพุทโธพุทโธพุทโธอยู่จิตที่นึกว่าพุทโธนั้นค่อยๆมีอารมณ์อื่นแทรกเข้าขมาเมื่อมีอารมณ์อื่นค่อยแทรกเข้าขมาก็เหมือนกับว่าเราอยู่ในบ้านรู้แล้วว่าข้างรอก บ, บ้านมีขโมยจะขึ้นบ้านพอขึ้นตรงไหนเราก็รู้เมื่อเรารู้เราก็หาทางป้องกันจิตก็เหมือนกัน เมื่อมีสติอยู่อารมณ์อื่นจะเกิดขึ้นกับจิตก็พึงกำจัดอารมณ์นั่นเสียคือปล่อยวางอารมณ์นั่นเสียให้รู้ทันทีว่านั่นคือขโมยไม่ใช่จิตนั่นคือขโมยไม่ใช่สมาธิดูอยู่ที่จิตเท่านั้นจึงจะเป็นสมาธิ คอยขจัดคอยระวังอยู่อย่างนี้ทุกขณะถ้าจับได้ถึงจุดนี้ใกล้สมาธิมากและระวังไปเถอะทำไปเถอะไม่ช้าก็จิตก็จะสงบพราจิตได้รับสติเป็นเครื่องอุปถัมภ์ที่ท่านเรียกว่าสติปฐาน คือสติเป็นที่ตั้งก็คือการทำสมาธิด้วยความมีสติมีกายเวทนาจิตธรรมเป็นอารมณ์ใจความก็คือมีสติดูอยู่กับจิตจิตเศ้าหมองผองแผ่วก็รู้อะไรมาทำให้จิตเศ้ามองผองแผ่วรู้และกำจัดคือปล่อยวางด้วย ก็จะพบความสงบได้จุดสำคัญอยู่ตรงนี้เป็นส่วนมากถ้าไม่มีสติที่ละเอียดเพียงพอก็จะมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นจึงได้กล่าวว่าความละเอียดของอกุศลวิตกยังอย่างลึกตามจิตใจเข้าไปอีกคอยระวัง เป็นการประดุดตัวขโมยดังได้ก่าวมาแล้วสติเท่านั้นที่จะรู้ทันเมื่อสติรู้ทันแล้วก็จะมีปัญญาแก้ไขสิ่งนั้นให้รู้ว่าสิ่งที่มาให้ใจนึกสิ่งนี้ไม่ใช่หนทางของสมาธิ สิ้งที่ใจกําลังนึกอยู่คือพุโทโธพุโทโธในความมีสตินั่นคือขนทางของสมาธิหรือมีสติรู้อยู่จิตที่นึกคิดอะไรไม่ให้รอดพ้นจากความรู้ความรู้สึกของสติไปได้คุมอยู่อย่างนี้รักษาอยู่อย่างนี้อย่างต่อเนื่องไม่ช้าไม่นาน สิ่งที่มาเข้าแทรกนั้นก็จะหายไปหมดไปเหมือนกับว่าพวกขโมยโจรทั้งหลายปรารถนาที่จะขึ้นบ้านนี้จ้องแล้วจ้องอีกถ้าเขารู้ว่าบ้านนี้เขาป้องกันเข้มแข็งมีเจ้าหน้าที่อยู่หลายชั้นในบ้าน ความที่คิดจะขึ้นบ้านเพื่อทําโจรกรรมก็จะเปลี่ยนแปลงและเลิกลาไปจิตนี้ก็เหมือนกันเมื่อมีสติเพ่งดูอยู่รู้ภาวะของจิตอยู่จิตก็จะแสดงความหลอกหลอนอะไรไม่ได้เพราะถูกสติคุมอยู่เมื่อคุมอยู่ตามปกติก็จะสงบ จึงได้กล่าวว่าจุดนี้เป็นใกล้จุดที่ใกล้สมาธิที่สุดเฉพาะอย่างยิ่งจิตที่เพ่งอยู่กับจิตดูกับจิตในขณะนั้นสภาพของจิตย่อมปล่อยวางควารมรู้สึกทางกายดูอยู่แต่ที่จิตจึงทำให้เกิดความประณีตลดความปวดเมื่อย เพราะดูอยู่ที่จิตเพราะเวลาฟาร์มปวดเมื่อยนั้นเพิ่งสังเกตดูมาเปรียบเทียบดูว่าที่ปวดเมื่อยนั้นไม่ใช่จิตเป็นตัวปวดตัวเมื่อยสรีระร่างกายทัางหากแต่เราไม่ได้ตามกาหนด ด, ดูสิ่งที่ปวดเมื่อยคือ ส, สรีระร่างกายนั้นเราต้องการทำใจให้สงบเราต้องการทำสมาธิให้สงบ แล้วก็เอาใจใส่อยู่กับจิตที่จะสงบนั้นความปวดเมื่อยของร่างกายก็เป็นธรรมชาติของร่างกายไม่เข้าสู่กระแสของใจตัวอย่างง่ายๆบางทีเรากำลังมือมองอะไรเพลินอยู่มีคนมาเรียกยังไม่ได้ยนินเพราะจิตของเราเพ่งอยู่กับสิ่งที่เราเห็น จะพบประสบสิ่งเหล่านั้นกันบ่อยๆจิตนี้ก็เหมือนกันที่กําลังภาวนาอยู่เช่นนี้ก็เหมือนกันเวลานี้เรากําลังดูจิตไม่ได้ดูกายกายจะปวดเมื่อยอยากปวดก็ปวดไปดูแต่จิตไว้ให้มากๆไม่ให้จิตกับกายนั้นไปยึดถือกันตัดความยึดถือให้ขาดออกจากกัน ทุกขเวทนาต่างๆลดลงเบาลงหรืออาจจะระงับดับไปในขณะนั้นเหลือแต่ความของแผ้วของจิตนี้จิตปลอดจากนิวร์และสงบเต็มที่อาการเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นผู้ภาวนาจึงพยายามหาทางขจัดอารมณ์ต่างๆให้เหลือแต่อารมณ์ปัจจุบันคือพุทโธพุทโธ ท, ที่นึกอยู่อย่าให้อารมณ์อื่นเข้ามา กุมรมจิตใจและรู้ภาวะของจิตอยู่เสมอการปฏิบัติอย่างนี้เชื่อว่าไม่นานจิตก็จะถึงซึ่งความสงบได้ต่อ น, นี้ไปจงพยายามสั่งจิตของตนให้ผ่องแพ้วน้อมจิตนึกถึงพระพุทธเจ้า พ, พระธรรมพระสงค์ตั้งใจภาวนาพุทโธพุทโธด้วยความมีสติ ส ต, ติคอยดูคอยสอดส่องจิตของตนดังได้กล่าวมาแล้วเพื่อระวังจิตไม่เผลอไปทางอื่นเพื่อป้องการจิตไม่ให้อะไรมาครอบงำให้มัวหมองเพื่อส่งเสริมจิตให้เกิดสงบเป็นสมาธิภาวนาตามคำสอนของพระศาสดาต่อไป